ต้องให้สวดธรรมะมาย้ำเสริมแรงแสดงสดับธรรมมิใช่ว่าสวดมนต์มาพาแสดงสดับธรรมให้ลับหายที่พูดมายืดยาวก็เพราะเกรงว่าที่ชาวพุทธชอบมาสวดมนต์กันนี่ไปๆมาๆกลายเป็นว่าสวดกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นสวดกันให้เพลินสวดกันให้หลับไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าอย่างนั้น มันก็จะเข้าทางที่ใกล้เป็นพราหม์เข้าไปเต็มที่หรืออาจจะแย่ยิ่งกว่าพราหม์ลงไปอีกทางหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้ผิดพลาดหลงทางคือย้อนหลังไปดูการสวดมนต์ในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่และทํากิจประจำวันของชุมชนชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านในยุคสมัยที่สืบต่อจากพุทธการไม่นานไม่ห่างมากนักจากสมัยของพระพุทธเจ้า เฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่เห็นได้จากบันทึกในคมพีทั้งหลายว่าเป็นสภาพในการเวลาที่การเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติคือทั้งปริยัตและปฏิบัติอย่างหนักแน่นจริงจังตามพระธรรมวินันเอาง่ายๆชัดๆคือในยุคที่ฟื้นอัทธกถาขึ้นมาช่วยการศึกษาพระไตรปิฎกคือเมื่อประมาณพุทธศักราชหนึ่งพันในคมภีต่างๆแห่งยุคสมัยนั้น เมื่อท่านเขียนแสดงขายขยายความหลักธรรมวินัยไปๆก็มีบ่อยๆที่ท่านเล่าเรื่องราวความเป็นไปของพระพุทธศาสนาและชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์กับทั้งหล่าพุทธบริษัทแทรกไปด้วยข้อความบางท่อนบางประโยคของท่านทำให้เรามองเห็นชีวิตความเป็นอยู่และกิจประจำวันของพระและโยมสมัยนั้นได้อย่างชัดเจน มีข้อความเป็นคำบาลีคำหนึ่งซึ่งพูดถึงการทากิจในชีวิตประจำวันของพระภิกษุเมื่อพันห้าร้อปีก่อนโน้นเป็นคำยาวมากและในหลายคำพียกขึ้นมาพูดอย่างเดียวกันท่านเขียนว่าปัทภานธรรมกถาสรพัญญปัญหาวิสาชนะราชนะปันะจิวระสิพณะโทวนาทีนี้คือบอกว่า ภิกษุทั้งหลายซึ่งกําลังทํากิจต่างๆเช่นสวดบทภานะอยู่บ้างแสดงธรรมกถาอยู่บ้างสวดสารพันยะอยู่บ้างถามตอบปัญหาอยู่บ้างย้อมจีวร อ, อยู่บ้างต้มจีวร อ, อยู่บ้างเย็บจีวร อ, อยู่บ้างซักจีวร อ, อยู่บ้างจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆมีแต่เรื่องของการพูดธรรมะสวดธรรมะการเทศการอธิบายธรรมตอบปัญหาธรรมและน่าสังเกตว่า กิจกรรมในการเล่าเรียนศึกษาสั่งสอนธรรมะเหล่านี้เป็นกิจกรรมสามัญในชีวิตประจำวันของพระสมัยนั้นเหมือนกับการซักจีวรเย็บจีวรย้อมจีวรส่วนทางฝ่ายชาวบ้านท่านพูดถึงกิจกรรมเช่นว่าเจติยะวันทนธรรมศสวนากาลาทีสุบอกว่าในกาล่ดต่างๆเช่นเวลาไปไหว้พระเจดีย ซึ่งพระพุทธรูปก็เป็นเจดีชนิดหนึ่งเวลาไปฟังธรรมเป็นต้นนี่คือบอกว่าหน้าที่ของชาวพุทธได้แก่การพูดธรรมะฟังธรรมะหรือแสดงธรรมะสับธรรมะแล้วก็มีสวดธรรมะมาซ้อนเสริมเข้าไปให้แสดงธรรมสดับธรรมนั้นได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านชัดเจนจริงจังกระชับสาระและไพเราะสน่ชวนฟัง คือสวดธรรมะนั้นมาเป็นช่องทางมาเป็นวิธีปฏิบัติในการแสดงธรรมไม่ใช่มาแทนที่การแสดงธรรมกิจของพระที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้ก็คือวิธีต่างๆในการพูดธรรมะแสดงธรรมอธิบายธรรมนั่นเองดังนี้หนึ่งปทะพาณนะคือการสวดแสดงธรรมเรียงบทอย่างที่ได้พูดข้างต้นแล้วว่า ภาณะหรือพานเป็นคำหนึ่งที่แปลกันว่าสวดแต่ที่จริงภาณะนี้เป็นคำสามัญแปลว่าพูดว่ากล่าวแต่เมื่อพูดว่ากล่าวเป็นทำนองเราก็เรียกว่าสวดแล้วปะทะภาณะกล่าวหรือสวดตัวบทเรียงบทคืออย่างไรบทหมายถึงคาถาหนึ่งหนึ่งก็ได้อย่างที่ว่าสี่บาทเป็นคาถาหนึ่งบทหมายถึงข้อธรรมะหนึ่งหนึ่งก็ได้ ในที่นี้มุ่งเอาพุทธพจน์ปะทะภาณะจะพูดว่าปะทะภานะหรือบทพานก็ได้คือการยกเอาพุทธพจน์จะเป็นคาถาเป็นพระสูตรเป็นคำตรัสบทหนึ่งหนึ่งก็ตามขึ้นมากล่าวมาสวดโดยอธิบายความหมายไปด้วยเรียงตามลำดับตัวบทนั้น 2. ธรรมกถา คือการกล่าวอธิบายบรรยายธรรมะหรือพูดเรื่องธรรมะอย่างกว้างๆทั่วๆไปที่มักเรียกกันว่าเทศหรือแสดงธรรมและเรียกตัวผู้แสดงว่าธรรมะกะถึก 3. สรพัญญะคือการกล่าวธรรมะด้วยเสียงที่เสนอไพเราะชัดเจนเป็นธรมนองกลมกล่อมน่าฟังสระคือเสียง พัญญาคือคำเดียวกับพนนะหรือพานะโดยยกเอาคาถาพระสูตรพุทธพจน์ขึ้นมาเปล่งเสียงกล่าวออกไปเรียกว่าสวดสรพัญญะ 4. ปัญหาวิสัชนาบางทีเรียกเต็มว่าปัญหาปุชนะปัญหาวิสัชนาเวลานี้นิยมเรียกว่า ปุชาวิสัชนาะคือการถามปัญหาตอบปัญหาเป็นวิธีแสดงธรรมสอนธรรมที่ตรงกับความต้องการและช่วยเสริมเติมเต็มให้แก่การแสดงธรรมอธิบายธรรมอย่างอื่นๆย้ำว่ากิจสามัญอันสำคัญซึ่งเป็นหน้าที่ประจำตัวของชาวพุทธคือการพูดธรรมฟังธรรมแสดงธรรมสดับธรรมหรือสอนธรรมเรียนธรรม โดยมีการสวดธรรมะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการแสดงธรรมนั้นอย่างน้อยการสวดธรรมะก็เป็นการสาธยายทบทวนธรรมะที่ได้แสดงได้สดับนั้นมิใช่ให้การสวดเป็นกิจกรรมอะไรที่ตัางหากออกไปจนกลายเป็นสวดมนเวียนวนเรื่อยไปให้เคลิ้กเคลิ้มใจแค่ได้พักผ่อนได้เพลิดเพลิน หมายเหตุในข้อหนึ่งปัาภานะนั้นถ้ายกเอาคาถาพระสูตรพุทธพจน์ขึ้นมากล่าวเป็นหลักโดยปรารถนาให้มีการอธิบายความหมายแต่ยังไม่บอกความหมายไม่อธิบายก็ไม่เรียกว่าปัาภานะแต่เรียกว่าโอสารนากิจกรรมของพระภิกษุในการแสดงธรรมสอนธรรมยังมีอีกหลายอย่างซึ่งพึงใช้ตามการโอกาส เช่นอุปนิสินนักถาปริกาถาอนุโมทนกักถาเมื่อนักเทศได้นักสวดมาเข้าชุดในคำพีชั้นดีกาแห่งหนึ่งกล่าวถึงวิธีสวดแสดงธรรมะไว้อย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจแม้จะไม่พบหลักฐานยืนยันในคำพีอื่น ก็น่าจะนำมาบอกไว้เป็นวิธีปฏิบัติที่ชวนให้ติดตามรอฟังธรรมะไปให้ตลอดและทำให้รู้สึกว่าได้เนื้อหาสาระหนักแน่นจริงจังวิธีนี้คือให้พระนักสวดมาทำหน้าที่เข้าชุดกับพระนักเทศโดยที่ว่าเมื่อพระเมื่อโยมอยากฟังอยากรู้ต้องการเล่าเรียนศึกษาพุทธพจน์คำสอนธรรมะเรื่องใดก็นิมนต์พระนักสวด เข้ามายกเอาคาถาพระสูตรพุทธพจน์นั้นขึ้นมาสวดสารพัญยะตั้งเป็นหลักหรือเป็นบทตั้งนำไว้ก่อนเมื่อพระนักสวดสารพัญญะเรียกว่าสารพานสวดบทตั้งจบแล้วก น, นิมนพระนักเทศคือธรรมกถึกขึ้นมาบรรยายอธิบายคาถาพระสูตรพุทธพจน์ที่พระสารพานได้สวดตั้งเป็นหลักไว้ให้แล้วนั้นอย่างละเอียดพิสดาร ให้ผู้ฟังรู้เข้าใจชัดเจนวิธีที่นิมนพระนักสวดมาเข้าชุดกับพระนักเทศอย่างนี้ท่านเรียกว่าสารพานธรรมกถาทีนี้ถ้าไม่มีหรือหาพระสารพานนักสวดสารพันญะไม่ได้ก็อาจยักเยื้องปรับแปรในขั้นตอนนี้ได้โดยที่ประชุมนั่นเองสวดคถาพระสูตรพุทธพจน์ที่จะให้พระนักเทศ คือพระธรรมกรถึกขึ้นมาอธิบายนั้นเป็นการชุมนุมสวดมนต์หรือสวดมนต์หมู่นำหน้าธรรมกรถาของพระนักเทศหรือที่ประชุมจะตั้งตัวแทนขึ้นมาสวดก็ได้ถ้าชาวพุทธชวนกันปฏิบัติให้ได้อย่างที่ว่ามานี้ก็จะทําให้การสวดมนต์เกิดมีประโยชน์สมตามธรรมและจะเป็นการช่วยกันฟื้นการสวดมนต์นั้นให้เป็นการปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงให้การสวดมนต์เป็นส่วนร่วมอยู่ในบุญกิริยาแห่งธรรมะสวนะและธรรมะเทศนาที่จะพาให้ก้าวหน้าไปในการปฏิบัติธรรมได้จริงอย่างง่ายๆถ้าทำอย่างที่ว่ามานั้นก็ยังไม่ไหวก็เอาแค่ว่าเมื่อใดมีการชุมนุมสวดมนต์ พระก็ใช้โอกาสที่จะสอนจะบอกธรรมะแก่ญาติโยมมากบ้างน้อยบ้างพอให้ญาติโยมรู้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นบ้างได้ครั้งละเล็กละน้อยก็ยังพอสมให้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามหลักที่ทําการสวดมนต์ให้เป็นส่วนแห่งบุญกิริยาข้อธรรมะสวนะและพระก็ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของตนในฐานะเป็นผู้ให้ธรรมะในบุญกิริยาข้อธรรมะเทศนา คือธรรมเทศนามัมไม่เป็นกิจกรรมที่เลื่อนลอยแต่มีพระเป็นผู้ให้ธรรมะมีใจแค่นำสวดมนต์